ัเฮอรินสกายาเป็นโรงพยาบาลร้างที่มีชื่อเสียงมากแห่งหนึ่งในรัเสเซียตั้งอยู่ทางตอนเหนือของกรุงบอสโกเริ่มต้นก่อสร้างตั้งแต่แตปี1980ก่อนที่จะยุติการก่อสร้างไปในปี1985เป็นอาคารที่มีความสูง10ชั้น มีห้องพักที่สามารถรองรับคนได้มากถึง 1,300 คนในช่วงเวลานั้นโรงพยาบาลแห่งนี้ถือได้ว่าเป็นโรงพยาบาลที่มีความทันสมัยมากที่สุดแต่ก็ถูกลดงับการก่อสร้างไปเสียก่อนที่จะได้นํามาใช้ช่วยเหลือผู้คนในช่วงที่กำลังมีการก่อสร้างโรงพยาบาลนั้นได้มีคนงานก่อสร้างได้เสียชีวิตไปเป็นจำนวนมากโดยการเสียชีวิตจะเป็นการเสียชีวิตในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุจากการก่อสร้างการฆ่าตัวตายหรือการตายอย่างแปลกประหลาดอื่นๆซึ่งมันน่าประหลาดใจเป็นอย่างมากทําให้ต้องยุติการก่อสร้างฮาวารินสกายาที่ดําเนินการมากว่า5ปีชาวบ้านที่อาศัยอยู่ใกล้กับโรงพยาบาลได้กล่าวว่าเมื่อครั้งอดีตบริเวณพื้นที่ที่นํามาก่อสร้างโรงพยาบาลเคยเป็นสุสานเก่าแก่มาก่อน เมื่อโรงพยาบาลได้มาก่อสร้างขึ้นบนผืนดินแห่งนี้ก็มีความเป็นไปได้สูงว่าไม่มีการทำพิธีใดๆเพื่อป้องกันพยันตรายจากสิ่งเลวร้ายและอาถรรพ์ต่างๆเลยจึงเป็นเหตุให้เกิดการเสียชีวิตของคนงานก่อสร้างเป็นจำนวนมากหลังจากโรงพยาบาลแห่งนี้ได้ถูกทิ้งร้างไปไม่นานก็มีกลุ่มคนที่ชอบลองของเขามาแวดเวียนสัมผัสความสยอง ภายในสถานที่แห่งนี้กันเป็นอย่างมากและต่างก็ไม่ผิดหวังกลุ่มคนเหล่านี้ได้พบเจอกับดวงวิญญาณที่สิงสถิตยอยู่ทุกคนที่เข้าไปล้วนแล้วแต่เจอดีกันแทบทุกรายอีกครั้งในโรงพยาบาลล้างนี้ยังเป็นสถานที่ที่กลุ่มผู้นาลัทธิมืดต่างๆมักจะมาทำพิธีกรรมบูชายัญอยู่เสมอโดยในอดีตจะใช้มนุษย์ในการทาพิธีบูชายั์ เพื่อสเรวยแดดดวงวิญญาณที่อยู่หน้าที่แห่งนี้แต่เมื่อเวลาล่วงเลยผ่านไปนานวันเข้าก็เปลี่ยนเป็นสัตว์ชนิดต่างๆแทนมนุษย์ในบริเวณจุดต่างๆของโรงพยาบาลจึงมักจะมีอุปกรณ์ในการทำพิธีและซากศพของสัตว์ที่ถูกบูชายานแล้วทิ้งเอาไว้อยู่หลายจุดโรงพยาบาลฮอรินสกายาขึ้นชื่อมาอย่างยาวนานเรื่องความน่ากลัวที่สุดแห่งหนึ่งในรัเสเซีย แล้วมันยังเป็นสถานที่ที่อันตรายที่สุดแห่งหนึ่งอีกด้วยบ่อยครั้งที่ผู้กล้าที่ชอบลองดีเข้าไปพิสูจน์ท้าทายดวงวิญญาณมักจะถูกดักจี้ปล้นอยู่เสมอเนื่องจากเป็นสถานที่เปรี่ยวมากและคนธรรมดาทั่วไปไม่มีใครอยากเข้าไปไกลอีกทั้งที่แห่งนี้ยังมีการนําศพที่ถูกฆาตกรรมจากที่อื่นนามาซ่อนนาพางไว้ที่นี่ หรือบางรายก็ถูกนำมาฆาตกรรมแล้วซ่อนศพไว้ที่นี่ด้วยอีกเป็นจำนวนมากฉะนั้นใครที่คิดจะลองดีมาพิสูจน์วิญญาณยังสถานที่แห่งนี้หากโชคร้ายได้พบเจอกับกลุ่มโจรหรือฆาตกรเข้าก็อาจจะกลายเป็นว่าเอาชีวิตมาทิ้งและกลายเป็นดวงวิญญาณสิงสถิตอยู่ในโรงพยาบาลร้างแห่งนี้ซะเองก็เป็นได้ สมภัสยอง